เจริญพรท่านผู้มีจิตศตรัทธาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2545เป็นวันธรรมมัสวาณเป็นวันพระเป็นวันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐเพราะคำว่าพระ นี้แปลว่าประเสริฐเป็นคำที่แปลที่แปลมาจากคำบาลีคำว่า ità, วรระวรระนี่แปลว่าประเสริฐดังนั้นวันพระจึงเป็นวันประเสริฐแต่ความประเสริฐนี้มันไม่ได้อยู่ที่วันคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นวันพระแล้วมันจะประเสริฐแต่ความหมายของความประเสริฐก็คือเป็นวันที่ เรามาร่วมปฏิบัติทำกันเพื่อให้เกิดความประเสริฐขึ้นมาเพราะความประเสริฐนี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติความดีทั้งหลายเช่นไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทำบุญตัก บ, บาตรสมาทานสีล ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้รวนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลคือความประเสริฐความประเสริฐในที่นี้หมายถึงความสุขความสงบ ข, ของจิตใจความปราศจากทุกความวุ่นวายใจทั้งหลายและถ้าได้ปฏิบัติไปจนถึง ที่สะอาดบริสุทธิ์คือการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติเพื่อชำระจิตชำระสิ่งที่เรียกว่าเครื่องเศร้ามองทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจที่เป็นสาเหตุที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายไปก่อกรรมทําเวรไปสร้างความทุกข์ให้กับตนและผู้อื่นถ้าได้ชำระเครื่องเศร้าเครื่องเศร้ามองทั้งหลาย คือกิเลปัญหาที่มีอยู่ในใจแล้วจนกระทั่งจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ใจก็จะไม่ต้องไปก่อกรรมทำเวรต่อไปสิ้นสิ้นเวรสิ้นกรรมจะถึงจุดที่ไม่ต้องไปไหนอีกต่อไปเพราะจิตนั้นถึงเมืองพอแล้วถึงความอิ่งและความพอนี่แหละความหมายของคำว่าปริสุิ์ก็หมายถึง จุดนี้จุดที่จิตได้ไปถึงจุดอันสูงสุดคือความบริสุทธิ์ของจิตใจเรียกว่าวิมุติหลุดพน้นหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งทั้งปวงหลุดพ้นจากตัณหาความอยากทั้งปวงหลุดหลุดพ้นจากความหลงอวิชชาความไม่รู้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้สัตว์โลกทั้งหลายต้องทําตัวเองไปในทางที่ไม่ดีมีแต่ความเสียเสียแต่ถ้าได้ทําลายสิ่งเหล่านี้หมดออกไปจากจิตจากใจแล้วสัตว์โลกนั้นก็จะถึงจุดที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นจุดที่ไม่มีความต้องการ อะไรทั้งสิ้นเพราะในในจิตนั้นมีความสมบูรณ์มีความพอเพียงอยู่แล้วไม่หิวไม่กระหายไม่อยากที่จะมีอยากจะเป็นกับอะไรทั้งสิ้นจิตของผู้ที่มีความอิ่มความพอย่อมไม่ไปก่อกรรมทำเวรให้กับใครเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมีเรื่องมีราวกับใคร เพราะไม่มีความอยากจะได้อะไรก็เลยไม่มีการที่จะต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันนี่แหละคือความหมายของคำ ว, ว่าประเสริฐประเสริฐนี้ประเสริฐในใจของเราคนเรานั้นจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีความร่ำรวยหรือยากจนมีความรู้เรียนจบปริญญาหรือไม่จบปริญญา มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหรือไม่สวยงามไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่ทำให้คนประเสริฐนั้นก็คือการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้และปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงขีดที่สูงสุดคือความบริสุทธิ์ของจิตใจชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากทั้งหลายให้หมดสิ้นไปนี่แหละคือจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ดาเนินไปถึงเมื่อท่านดาเนินไปถึงแล้วท่านก็หมดภารกิจหมดการที่จะต้องไปแสวงหาอะไรอีกต่อไปเพราะได้สิ่งที่เป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึก ต้องการอะไรก็มีอยู่ในนั้นแล้วเพียงแต่นึกขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มมาเติมอีกนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของดวงจิตที่ได้รับการชําระขัดเกลาถลจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายและเมื่อพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก ได้บรรลุถึงจุดสูงสุดนี้แล้วท่านก็ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของท่านมานำสิ่งเหล่านี้มาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกทั้งหลายเพื่อสัตว์โลกผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่ด้วยอำนาจของโมหะความหลงด้วยอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จะได้มีแสงสว่างพา ไปสู่ทิศทานที่ดีได้พวกที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนาเคยได้สะสมบุญมาก่อนเคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนถึงมีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สั่งสอน แต่สําหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วไม่กอดศรัทธานั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่ยังมีความมืดบอดอยู่แสงสว่างแห่งธรรมนั้นไม่สามารถที่จะส่องทะลุเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจได้ทําให้จิตใจนั้นไม่สามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ก็ไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ต่างกับคนที่เคยได้ขัดเกลากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองขัดเกลวความมืดบอดแห่งโมหะและอวิชชาให้เบาบางลงไปพอมีแสงสว่างแห่งธรรมที่แสดงโดยพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกหรือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจิตก็จะสามารถ รับได้ทันทีเพราะความมืดบอดที่หุ้มห่อจิตใจนั้นมีไม่มากพอที่จะกั้นแสงสว่างแห่งธรรมเข้าไปในจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ไดรับแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติตาม เพราะจะนำมาซึ่งประโยชน์อันสูงสุดจะนำมาความสุขที่แท้จริงจึงทำให้มีความกล้าหาญที่จะเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆที่คนในโลกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่ในสายตาของผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมและเข้าใจ ทาของพุทธเจ้าแล้วจะเห็นว่าสมบัติเหล่านี้นั้นล้วนแต่เป็นกองทุกข์ทั้งนั้นล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่จะพัฒนาจิตใจให้ไปสู่จุดสูงสุดได้จึงเลยจึงกล้าที่จะสละทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของหรือราบยศหรือตำแหน่งคือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆที่ตนมีอยู่ ยินดีที่จะสละสิ่งเหล่านี้และนำเนินชีวิตตามเยี่ยงอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวคทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติทำกันมาในเบื้องต้นอาจจะยังไม่ถึงกับจะต้อง อ, ออกบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีหรือเป็นแม่ชีก็ตามในเบื้องต้นก็จะสามารถ ปฏิบัติอยู่ในฐานะของความเป็นคารวาสได้อยู่แต่แทนที่จะใช้เวลานั้นทุ่มเทกับการหาเงินหาทองหาความสุขจากการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผ พ, พิตภัณฑะกับจะใช้เวลาที่มีอยู่ถ้าว่างจากการภารกิจการทรมาหากินก็จะใช้เวลานั้นมา สร้างทำรรสร้างบุญสร้างกุศลเพราะทำบุญและกุศลนี้คือเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าชีวิตของการเป็นคารวะ น, นั้นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจ ต่อการขัดเกลาจิตใจเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะเป็นเวลาที่พร้อมที่จะออกบวชเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจได้อย่างเต็มที่ชีวิตของคารวะ น, นั้นมีภา ร, ระอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะต้องทำหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัว ไม่เหมือนกับการที่ได้ออกบวชเมื่อได้ออกบวชแล้วถือว่าได้ตายจากการเป็นคารวะแล้วได้ตายจากสามีจากภรรยาได้ตายจากบิดามารดาได้ตายจากบุตรธิดาญาติสนิทมิสหายมาเกิดใหม่เป็นบุคคลใหม่ในในเพศของสมณะนักบวชผู้ที่มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะทุ่มเท ชีวิตจิตใจสติกำลังสติปัญญาไปกับการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดเ <c oughs> นี่ยแหละคือถึงท่านที่จะเป็นต่อไปในเบื้องต้นพวกเราทุกคนก็เป็นคารวาดกันและหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เกิดศรัทธาก่อยความเชื่อ ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สมบัติเงินทองข้าวของไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่ที่สุขที่เกิดจากการได้เสดกามคุณทั้งห้าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะั้นล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นล้วนเพราะว่าเปรียบเหมือนกับ อาหารหรือเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาปลาที่ไม่ฉลาดพุบเหยื่อนั้นไปก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวที่คอฉันใดบุคคลที่ไม่ฉลาดไม่พิจารณาเวลาที่เสพกรรมกุณทั้งห้าก็จะเกิดความชอบ เกิดความติดพันขึ้นมาทำให้ต้องมีกา ร, รมคุณห้าหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่อย่างสม่าเสมอในเวลาหนึ่งเวลาใดที่ขาดกา ร, รมคุณทั้งห้านี้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจขึ้นมายกตัวอย่างผู้ที่ติดยาเสพติดติดสุราติดบุหรี่ เวลาใดถ้าได้สุขได้เสพสิ่งเหล่านี้จะมีความสุขแต่ถ้าเวลาหนึ่งเวลาใดถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเกิดความทุกข์ความทรมานใจขึ้นมา <c oughs> เพราะจิตใจได้ไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้ฝากความสุขไว้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลาต้องการความสุขก็จะวิ่งก่อ <c> น <oughs> เขาหาสิ่งเหล่านี้และเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้มาเสพก็เลยต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทรมานใจขึ้นมาเหมือนกับปลาที่ไปตะคุบเหยื่อที่ปลายเบ็ดเมื่อเบ็ดมันติดที่คอแล้วที่ปากแล้วมันก็จะมีแต่ความทรมานใจอย่างนี้เป็นต้นคนฉลาดจะเห็นเรื่องของเรื่องของโทษของ กามมสุขเรื่องโทษของการสรรเสริญเยือนยอโทษของการมีตําแหน่งมียศโทษของการติดพันอยู่กับทรัพย์สินสมบัติเงินทองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนกับเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเป็ดถ้าไม่ละวัดระวัวงจะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวคอแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกยังปฏิเสธไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของที่ทุกๆกคนจะต้องสัมผัสกันไม่มากหรือน้อยเพราะเป็นสิ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพคือเราต้องมีเงินทองไว้สําหรับเอาไปซื้อของจําเป็นเช่นซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพก็ต้องอาศัยเงินทอง และเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เราประกอบคุณงามความดี mm hmm. ก็ย่อมเป็นปกติที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับยศได้รับตำแหน่งต่างๆเรื mm ่อ hmm. งเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่เวลาที่เราได้สัมผัสหรือมีสิ่งเหล่านี้เราคนฉลาดนั้นจะระมัดระวังรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะั้นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดจะต้อง สัมผัสกับมันด้วยความระมัดระวังไม่ให้เบตนั้น เ, ออเกี่ยวติดคอฉันใดคนฉลาดก็จะปฏิบัติกับลาบยศสรรเสริญการมขด้วยสติด้วยปัญญาคือไม่ยึดติดนั่นเองพร้อมที่จะให้หมดพร้อมที่จะให้ไปพร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะให้สิ่งนั้นหายไปหมดไป เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนไม่เคยหลงคิดว่าจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นเครื่องให้ความสุขที่แท้จริงมีก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นเช่นถ้ามีทรัพย์เงินทองเราก็ใช้ส่วนหนึ่งไว้ดูแลตัวของเราชีวิตของเราส่วนที่เหลือก็นาไปทานุบำรุงผู้อื่น ผู้ที่มีบุคลคลผู้ที่มีบุญมีคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าและบุคคลอื่นๆที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเขาเองได้เช่นคนพิการคนแก่คนชราที่เลี้ยงธรรมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาได้เช่นลูกหลาน ท, ทั้งหลายของหลับแทนที่จะหัวงเงินห่วงทองเก็บไว้ คนเดียวอไปแจกจ่ายไม่เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นใครจะเดือดร้อนอย่างไรก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการยึดติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองเลยไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองนั้นนอกจากไม่ได้รับประโยชน์แล้วยังได้รับโทษอีกเพราะผู้ที่มีความหวงในทรัพย์สินเงินทองนั้นย่อมต้องมีความทุกข์กับทรัพย์สินเงินทอง เวลาทรัพย์สินนั้นเกิดหายไปหมดไปหรือในขณะที่ยังไม่หายไปหมดไปก็มีแต่ความกังวลว่าจะหายไปหรือเปล่าจะหมดไปหรือเปล่าเลยกลายเป็นคนที่มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความทุกข์ใจกับสมบัติเข้าของแทนที่จะให้สมบัติเข้าของเหล่านี้มารับใช้ตนมาสร้างความสุขให้กับตนกับกลายเป็น ตนจะต้องไปรับใช้ทรัพย์สินเหล่านี้กลายเป็นยามเฝ้าทรัพย์สินเหล่านี้ไปนี่คือลักษณะของคนไม่ฉลาดหรือคนที่มีความหลงโมหะครอบงำจิตใจมีอวิชชาความไม่รู้ครอบงำจิตใจอยู่เลยทำให้มีอุปทานยึดมั่นกับราบยศสรรเสริญการมข เลยมีแต่ความทุกข์กับลาบยศสรรเสริญกรรมาสุขเพราะโดยธรรมชาติของลาบยศสรรเสริญกรรมาสุขนั้นเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปมีเจริญและมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมชาติของโลกธรรมทั้งแปดลาบยศสรรเสริญสุขนั้นมีทั้งส่วนที่เจริญและมีส่วนที่เสื่อม มีการเจริญลาบจเจริญยศมีสารเสรินมีสุขและมีการเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขนี่เป็นสิ่งที่คนทุกๆคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสจะต้องเจอกันคนฉลาดจะไม่ยึดไม่ติดจะรู้ถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน รู้ว่าจะต้องพัดพากจากกันในวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้ารู้แล้วเตรียมใจไว้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดพร้อมที่จะให้ไปพร้อมที่จะจากไปแล้วเวลาเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในทางตรงกันข้ามคนที่ยังโง่เขลาบอปัญญาอยู่จะไม่เข้าใจจะไม่รู้ถึงธรรมชาติ ของโลกธรรมนี้<ม>เวลาได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาคือเวลาสิ่งเหล่านี้เจริญขึ้นมาก็จะมีความดีอกดีใจแต่เวลาที่สิ่งเหล่านี้เกิดการเสื่อมขึ้นมาเกิดการสลายไปหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ม่ได้ยินได้ฟังธทมเหมือนกับญาติโยมที่มาเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระหรือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่วัด น, นี้จะมีการแสดงธรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นการสอนเพื่อเตือนสติให้รู้ถึงธรรมชาติของโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุ ล้วนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงล้วนจะต้องมีการดับมีการสลายไปถ้าได้ยินได้ฟังแล้วนำไปไข้ควรวญพร่ำสอนใจอยู่เสมอเหมือนกับการไปท่องมนต์มนต์นี้เวลาเราหัดท่องเพียงครั้งแรกแล้วเราไม่ไปท่องต่อไม่ไปท่องซ้ำๆไว้อยู่เรื่อยๆถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะลืมจะสวดมนต์จะจาไม่ได้ เรื่องราวทางด้านธรรมะที่ท่านได้ยินได้ฟังก็เหมือนกับมนบทหนึ่งที่จะต้องนำเอาไปพร่ำสอนตัวเองคือต้องนึกต้องคิดอยู่เสมออย่างวันนี้พูดถึงเรื่อง <c oughs> เรื่องของการเจริญและเสื่อมของโลกธรรททั้งแปดเราก็ต้องเอาไปพร่ำหอนใจเราของเราอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไม่ลืมถ้าเราฟังแต่เฉพาะในศาลานี้แล้ว เมื่อเสร็จแล้วเวลาเราออกจากศาลานี้ไปและกลับไปสู่ที่พักของเราหรือไปบ้านไปทำงาน <c oughs> และไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ก็จะค่อยๆจางหายไปจากใจของเราและเมื่อเรื่องเหล่านี้จางหายไปแล้วอะไรจะเข้ามาแทนที่ก็คือความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะกลับมาเพราะอะไรเพราะความหลง มันจะกลับเข้ามาแทนความรู้นั่นเองสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในขณะนี้เรียกว่าความรู้เพราะเป็นธรรมะเป็นปัญญาแต่ถ้าถ้าท่านไม่นำเอาไปรักษาไว้ด้วยการาค่อยรพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็จะค่อยๆจางไปจางไปและสิ่งที่จะเข้ามาทดแทนก็คือความหลงอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ก็จะกลับเข้ามาก็จะทําให้เรากลับเข้าไปหลงติดอยู่กับลาบยศสารเสริญกรรมสุขและเมื่อเกิดการเสื่อมขึ้นมาเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแม้กระทั่งยังที่ไม่เสื่อมเราก็มีความทุกข์ใจที่มีความกังวลมีความห่วงกลัวว่าเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปตลอดนั่นเองทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่สิ่งเหล่านี้นั้น เราไม่มีเราก็อยู่ได้เรามีความสุขได้และมีความสุขยิ่งกว่ามีสิ่งเหล่านี้เสียอีกแต่เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่เคยปฏิบัติเราจรึงไม่ได้เราจรึงไม่รู้แต่ถ้าเรามีความศรัทธาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำในวันนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติกับตัวของเราเองพยายามลดละความผูกพันกับลาบยศสรรเสริญการมข พยายามตัดไปให้น้อยลงไปเคยมีความผูกพันอยู่ร้อยเปอร์ซนก็ค่อยๆตัดลงไปตัดไปทีละสิบเอร์ซต์ปรเซ็นต์ตัดลงไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยอย่าไปยินดีกับสิ่งต่างๆที่ได้มาเอาเท่าที่จำเป็นเงินทองเอาเท่าที่จำเป็นเท่าที่จะรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ได้ก็พอแล้วส่วนความส่วนความสุขนั้น ขอให้เราหันมาหาความสุขจากความสงบของจิตดีกว่าคือสันติสุขใช้เวลามาหาที่สงบในมุมใดมุมหนึ่งในบ้านของเราก็ได้เวลามียามว่าง <c oughs> ก็หลับตากาหนดจิตให้นิ่งไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างให้ให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ที่เรา จำได้เช่นบทอิติปิโสอรหังสัมมา <c oughs> สวดไปซ้ําแล้วซ้ําอีกหลายๆลยครั้งก็ได้ขอให้จิตของเราอยู่กับบทสวดมนนั้นไม่ใช่สวดไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าเป็นเช่นนั้นจิตของเราจะไม่สงบจิตของเราจะไม่นิ่งแต่ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดเรื่องอะไรให้จิตของเราคิดอยู่กับบทสวดมนตให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์ แล้วจิตของเราจะค่อยๆสงบจะค่อยเย็นจะค่อยๆสบายแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ดึมมาออกมาใช้เท่านั้นเองเหมือนกับมีสมบัติอันประเสริฐแต่กับทอดทิ้งปล่อยทิ้งไว้ไม่บไม่เหลียวแรงไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกลับไปหาสมบัติที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง สมบัติที่เป็นกองทุกข์สมบัติที่เป็นเหมือนกับเหยือ่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็เลยมีแต่ความทุกข์กันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือเรื่องของการขาดธรรมะขาดแสงสว่างเพราะไม่ค่อยสนใจฟังเทศฟังธรรมไม่ค่อยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมกันในวันนี้แล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาก็ขอให้เรา ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราที่เราสามารถแยกมาได้จากภารกิจการงาน